พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่15บห้าอนุมานาสูตรสูตรว่าด้วยการอนุมานพระมหาโมคลานะอยู่ในป่าชื่อเพสกาลาอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อใกล้นครสูงสุมาคิระแควนพัก ค, คะท่านแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายพอจะกำหนดเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้ 1. ท่านแสดงถึงภิกษุผู้ประวารณาตนให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวแต่ก็เป็นผู้ว่ายากจึงไม่มีใครในที่นี้คือเพื่อนพรมจารีอยากว่ากล่าวตักเตือนหรือคุ้นเคยด้วยแล้วแสดงธรรมะที่ทำให้ว่ายากหลายข้อมีความปรารถนาลามกเป็นต้นมีการยึดแต่ความเห็นของตนเป็นข้อสุดท้าย 2. แสดงถึงภิกษุผู้แม้ไม่ปราณนาตนให้ภิกษุผู้อื่นว่ากล่าวแต่ก็เป็นผู้ว่าง่ายจึงมีเพื่อนปรมจารีอยากว่ากล่าวตักเตือนหรือคุ้นเคยด้วยแล้วแสดงธรรมะที่ทำให้ว่าง่ายป่ายตรงกันข้าม 3. สมอนภิกษุทั้งหลายให้อนุมานคือคาดคะเนตนเองได้ด้วยตนว่า ถ้าประกอบด้วยความชั่วมีความปรารถนาลามกเป็นต้นก็คงไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นจึงควรตั้งจิตที่จะไม่มีความปรารถนาลามกเป็นต้น 4. สอนพิกษุทั้งหลายให้พิจารณาตนด้วยตนว่ามีความชั่วเช่นความปรารถนาลามกเป็นต้นหรือไม่ถ้ามีก็ควรพยายามละซะ ถ้าไม่มีก็ควรศึกษาเนือ ง, เนองในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยความปีติปราโมชภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมพาษิทธิ์ของพระเถระ